ศา ส, สนาหรือศิลธรรมมีอยู่มีอยู่ในที่ใดที่นั้นร่มเย็ยนมีอยู่ในบุคคลใดผู้นั้นร่มเย็ยนศา ส, สนาจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับโลกที่ต้องการความร่มเย็ยนเป็นสุขเพื่งความต้องการความสุขความเจริญ แต่ไม่มีศาสนาซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามเป็นเครื่องดลหนึ่งแล้วจะหาผลคือสินที่ตนต้องการนั้นไม่เจอองหลักของศาสนาทางเหตุก็แสดงแนวทางที่ถูกต้องดีงามแต่ผู้มุ่งหวังความมุ่งหวังผลคือความสุขความเจริญอยู่แล้ว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 ที่รับที่แจ่คนที่มีความที้โหตปักระอาศุดุ้กลัวต่อความผิดอีูภายในใจแล้วพวกนั้นย่อมไม่กล้าจะทำความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นได้ในศาสนามีอยู่ในติดใจของกลุ่มชนในกลุ่มฉะนั้นก็มีความสงบร่มเย็นไม่ค่อยมีเรื่องมีราว การอารัตเอาเปรียบ ก, การอะไรก็ตามที่ผิดจากศีลจาทธรรมนั้นจะมีน้อยจน ถ, ถึงกับไม่มีทั้งนี้เกี่ยวกับผู้มีศีลธรรมหนักเบามากน้อยต่างกันถ้าผู้มีทำในใจจริงๆแล้วผู้นั้นจะก็ปกครองตนได้และต่างคนต่างมีต่างคนก็ต่างปกครองตนได้ แล้วก็ไม่กระทบกระเทือนผู้อื่นเพราะต่างคนต่างปกครองตนเองด้วยสิ่อธรรมอันดีงาม <c oughs> ทวีท่านนะ <c oughs> <c oughs> กล่าวไว้การใดที่ศาสนาไม่มีระยะใดที่ไม่มีศาสนาเลยระยะนั้นท่านว่าเป็นปืนเป็นไฟเป็นหมดทั้งทั้งที่มนุษย์ก็เป็นมนุษย์แต่ความเดือดร้อนวุ่นวายมีมาก เพราะไม่มีใครที่จะสนใจกับคําว่าผิดถูกชัว่วดีบุมบาปประการใดเลยมีแต่เอาการชอบใจความตามชอบใจของจิตนั้นเป็นเรื่องที่ออกมาจากความเห็นแก่ตัวซึ่งมีอยู่ภายในและฝังอยู่ในใ จ, ใ จ, จิตใจด้วยกันทุกคนเมื่อต่างคนต่างเอาความเห็นแก่ตัวออกมาใช้ความเห็นแก่ตัวจึงเป็นซึ่งกระทบกระเทือนกันได้ มากน้อยเพียงไรนั่นขึ้นอยู่กับปีกใจของแต่ละคนนะคนเพราว่าศาสนาเป็นค่าศึกต่อความเห็นแก่ตัวคือเป็นความเห็นสมุภาคเห็นคนอื่นกับเรามีคุณค่าเหมือนกันมีความสําคัญเหมือนกันจนกระทั่งสัตว์ก็มีคุณค่าและมีความสําคัญเช่นเดียวกับมนุษย์คือมีค่าไปคนละทางละทางเช่นดังชีวิต เ้าก็มีคุณค่าของเขาในความเป็นอยู่หากหาชีิตหาชีวิตไม่แล้วไม่ว่าสัตว์วอบบุคคลก็ต้องตายหมดคุณค่าหมดราคาไปในขณะนั้นเช่นเดียวกันธรรมของพระพุทธเจ้าจึงแผ่กระจายไปทั่วทุกสัตว์บรรดาที่มีวิญญาณครองให้เห็นความสาคัญไปด้วยกั น, น, นทั้งนั้นให้เบียดเบียนให้ทำลายให้ทำความกระทบกระเทือนซึ่งพั น, นกันถ้ า, าถึงสมบัต สิ่งของมีมากน้อยก็ถือเป็นความสําคัญเช่นเดียวกับคนคือเป็นความสําคัญสาหรับสมบัติของเขาเช่นเดียวกันเราถือเป็นความสําคัญในสมบัติของเราในสมบัติของเรามีความสําคัญต่อเราเนี่ยถือกันเห็นมีความรู้ความเห็นอย่างนี้แล้วการกระทบกระเทือนการถลอกต้นสะดมด้วยการเบียดเบียนทําลายกัน ก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่รับที่แข่คนที่มีความทฮี่โอต ป, ปะกระอาสะดุ้มกลัวต่อความผิดผิดภายในใจแล้วพวกนั้นย่อไม่กล้าจะทำความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่นได้เนือศา ส, สนามีอยู่ในติตใจของกลุ่มชนในกลุ่มชนนั้นก็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 และต่างคนต่างมีต่างคนก็ต่างปกครองตนได้แล้วากไม่กระทบกระเทือนผู้อื่นเพราะต่างคนต่างปกครองตนเองด้วยศื่อธรรมอันดีมากเทวดาท่านกล่าวไว้การใดที่ศาสนาไม่มีระยะใดที่ไม่มีศาสนาเลยระยะนั้นท่านว่าเป็นเืลนเป็นไฟเั็นหมดทั้งๆที่มนุษย์ก็เป็นมนุษย์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 สิ nói, ắn, kh ắn, ào, ắn, ่งของมีมากน้อยก็ถือเป็นความสําคัญเช่นเดียวกับคนคือเป็นความสําคัญสำหรับสมบัติของเขาเช่นเดียวกันเราถือเป็นความสําคัญในสมบัติของเราสมบัติของเรามีความสําคัญต่อเราเมือนถือกันเห็นมีความรู้ความเห็นอย่างนี้การกระทบกระเทือนการถกเถียงต้นสะดมหรือการเบียดเบียนทําลายกัน ก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสาเหตุที่จะเกิดขึ้นเราก็ทราบแล้วว่าไม่เห็นความตําคัารของคนอื่นเห็นแต่ความต้องการของตัวทองตนถ่ายเดียวที่จะถูกลึกอขดนั้นไม่คํานึงนี่เราพูดถึงภาพทั่วไปสำหรับศาสนา ม, มีความต้องการต่อโลกที่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะให้เห็นความตํางัาของกันและกัน นิยน่นเข้ามาถึงตัวของเราเราก็ทุกคนก็เข้าใจที่แน่ใจว่าตนมีความรักตนมีความสงวนตนมีความสําคัญแต่สิ่งที่จะนํามาเพื่อตัวเองนั้นไม่ทราบว่าถูกหรือผิดเพราะความอยากความต้องการนั้นเย็นหน้าเหนือกว่าความคําที่ว่ารักตนหรือสงวนตนจึงเป็นเหตุให้ทําความเสียหายแก่ตนได้ จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องนาเนินให้เหมาะสมกับคําที่วรักตนปฏิบัติบํารุงรักษาตนด้วยความถูกต้องโดยอัดโดยธรรมขอจะเป็นไปเพื่อความถูกความเจริญแก่ตนสมกับคำวรักนตนเจ้าขอ ง, งตนแท้หนังเราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติสิ่งธรรมในเวลานี้ก็คือความรักตนโดยธรรมคือเป็นความถูกต้องให้ผิดเอย่าก็เรื่องขิน บ, บ้านกานเรเดือนแล้วก็ทราบด้วยกันทุกคน นันเป็นงานประเภทหนึ่งผลอย่างหนึ่งที่จะนำมาช้าในทางหนึ่งทงด้านปิตใจที่เป็นงานสำคัญอันจะก่อให้เกิดพลังเกี่ยวกับกิจการงานภายนอกก็ต้องเป็นความสําคัญรประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันแต่พราะอย่างยิ่งเป็นในวัยของพวกเราซึ่งควรอย่างยิ่งแล้วเพราะได้เคยเลือกเฟ้นได้เคยบวกลกมาเป็นานา น, าน เกี่ยวกับเรื่อชีวิตจิตใจได้ฐานโลกมานานขอควาทราบเพื่อหลักเราได้ดีทั้งภายนอกภายในจึงต้องมีความสนใจในอัตในธรรมที่จะเป็นสาระสัมผัญแก่ตนเพื่อเป็นต้นทุนในวาระต่อไปอีกตลอดถึงปัจจุบันและอนาคตให้มีความบกคร่องดังนั้นจึงต้องในอุตสาห์อบรมบำเพ็ญคุณ ง, งามความดีมีกิตติคุณนาเป็นต้น ซึ่งเป็นหลักใหญ่ของศาสนาหรือเป็นหลักหลักใหญ่ของการรักษาตนการสมสมกับการรักตนการสงวนตนเรียกว่าเป็นการบำบุงที่ถูกต้องหรือถูกทางที่ทายกิตได้รับผลเป็นที่พึงพอใจจากการบำเพ็ญกิตต ภ, ภาวนาอาหารของจิตก็ได้แก่ธรรมธรรมจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใดก็เกิดขึ้นด้วยการบำบำุงให้ถูกอัดถูกทำเช่นการบำเพ็ญคุณ ง, ง า, ามความดี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 สิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นแหละกลายเป็นความดีย้อนกลับมาเป็นอาหารหรือที่เรียกว่าอาหารอันชอบทำอาหารภายในใจให้เกิดขึ้นแก่เราเช่นความยินดีในทานหรือเราได้เสียสนละไปแล้วด้วยวัตถุที่รักที่สงวนของเหล่านี้ผลที่จะพึงเกิดขึ้นลุ้นที่เราประจักษ์ในขณะนั้นก็คือเป็นความดีใจของเรา หรือเป็นความชอบธรรมของเราความชอบธรรมหรือความดีใจนี้ก็เป็นโอชารสอันหนึ่งที่จะย้อนเข้ามาสู่จิตใจของผู้ทำและอารมณ์เนื้ อ, อาหารอันนี้ไม่มีสถานที่อยู่ไม่มีสถานที่เกาะไม่มีที่เก็บนอกจากกิตเป็นภาชนะอันสําคัญหรือเป็นตู้เป็นหีบเป็นอะไรก็แล้วแต่สําหรับบรรจุ ความดีทั้งหลายที่ตนเป็นผู้สร้างขึ้นมาได้แก่จิตเป็นผู้บ่งการในงานที่ชอบทั้งหลายความดีจึงต้องไหลเข้ามาสู่ใจความดีนี่แหละเป็นอาหารของใจเป็นอารมณ์ของใจแต่พ อ, อย่างยิ่งการบำเพ็ญกิตตะภาวนาเพื่อให้ภาชนะภาชนะของเราสะอาดขึ้นไปโดยลำดับ ซากอพอกภาชนะคือจิตใจของเราให้มีความสะอาดยิ่งขึ้นมันเหมาะสมกับความดีทั้งหลายที่ได้สร้างไว้มากน้อยมีจำนวนเท่าไหร่ทั้งด้านทางกายทางวาจาและจิตใจที่จะคิดในทางที่ดีแล้วใจแท้เองเป็นผู้เป็นภาชนะสำหรับรับความดีทั้งหลายรวมลงแล้วเรียกว่าอาหารของใจได้แต่ความดี การปฏิบัติภาวนาเมื่อใจยุ่งเหยองวุ่นวายนั่นคืออาหารที่เป็นพิษต่อใจตัวเองจึงต้องหาวิธีสรากครอบหาวิธีแก้ไขดัดแปลงให้ได้อาหารที่ดีขึ้นมาคือความถูกต้องมีงานนั่นแหละจะเป็นผลให้เกิดความอาหารที่ดีขึ้นมาภายในจิตใจคือมีความสงบเย็นใจไปโดยลำหนับลำหนับเมื่อนะครับการบารุงรักษาจากเจ้าของอยู่อีจะต้องมีความเยือเย็น จิตที่มีความเยือกเย็นโดยลาดับนี่แหลคือจิตมีธรรมในใจก็เรียกที่อาหารประจำใจก็เรียกนับตั้งแต่ส่วนน้อยไปถึงส่วนมากจะต้องปรากฏขึ้นที่ใจและสถิตอยู่ที่ใจฐาชนะคือใจก็ฟองสาสเข้าโดยลาดับท่านพิณสอนให้ภาวนาคำว่าภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย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 แต่รวมอยู่ที่จิตอันมีความสงบเยือกเย็นเป็นลำดับไปที่ไหนก็ติดแน่จะกับตัวเพราะใจอยู่ที่ตัวงานของจิตจึงเป็นงานที่หนักมากพอสมควรหรือหนักมากแต่ไม่ขึ้นอยู่กับความว่าหนักพอที่จะให้มาเป็นอุปสรรคทําให้เราท้อถอยขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ขึ้นอยู่กับเหตุกับผลที่เราคิดไว้แล้วเพื่อตัวของเรามีอะไรเพื่อความสุขความเจริญความหลุดพ้นหรือความสุขอันสมบูรณ์มีเป็นจุดมุ่งหมายของเราเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้แล้วอย่างนี้เราก็พยายามดําเนินเหตุให้เป็นไปตามแบบ แ, บบแปลแนทันทังที่เราคาดเอาไว้โดยถูกต้องผลจะคึงปรากฏขึ้นโดยลําดับจิตจะเศร้าหมองขนาดไหนเคยเศร้าหมองมานานเท่าไหร่ แต่มือดมิดปิดตาขนาดไหนก็พ้นความสว่างอย่างธรรมที่เราบำเพ็ญอยู่โดยลําดับลําดับไปไม่ได้จะต้องปรากฏเป็นความสว่างเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาในวาลัานหนึ่งซึ่งเป็นผลและสว่างสไยขึ้นมาเรื่อยๆและปรากฏอยู่ที่จิตนี้ด้วยไม่ไปปรากฏอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็เย็นอยู่ที่ไหนก็อสบายอา้าวสติปัญญาพิจารณา ถอดถอนสิ่งใดที่เป็นเทียนเป็นหนามเมื่อจิตมีความสงบพอสมควรแล้วแต่คำว่าสงบในสถานที่นี้หมายถึงความสงบโดยธรรมโดยธรรมดาของจิตไม่ได้หมายถึงความสงบที่จิตอยากลงไปสู่สมาธิแล้วปล่อยงานทั้งหลายในขณนะนั้นขณนะเช่นนั้นให้ปล่อยไว้ตามความจริงตามธรรมชาติของจิตที่สงบเพราะจิตมีความสงบเช่นนั้นเป็นไปได้ในการถอนนาขณะที่ปล่อยงานปล่อยจริงๆก็มี ปล่อยหาดไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหือแต่ความรู้ล้นๆนที่เป็นของอัศจรรย์เท่านั้นเมื่อจิตเป็นอยู่เช่นนั้นแล้วเราอย่าไปรบกวนหรือไปแตะต้องด้วยอาการใดๆทั้งหมดปล่อยให้อยู่ตามสภาพของกิตจนกระทั่งกิตพอแต่การเวลาแล้วจะถอนตัวคือจะมีความคิดความปรุงขึ้นมาเองแล้วก็ใช้งานในทางด้านที่เป็นประโยชน์ได้แกพิจารณาทางด้านปัญญา พิจารณาค้นคว้าในสิ่งที่มีอยู่กับเรานี่แหละไม่ใช่พิจารณาอะไรพิจารณาเอาข้างนอกก็เป็นเรื่องเหมือนกับภายในพิจารณาภายในก็เหมือนภายนอกประสัดประสานกันได้ทุกกัตว์ทุกส่วนไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างกันคําว่านิจังทุกขังอต า, า ก, กระเทือนทั่วโลกกะนะแล้วไม่กระเทืนอนยังไงความจริงล้ล้วนทางนั้นเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราฝืนคติธรรมนาจึงก่อทุกข์ตนได้เรื่อย เหตุที่จะฝืนธรรมดานั้นก็เพราะอำนาจของกิเลสมันทาให้ฝืนไม่ใช่เราตั้งใจจะฝืนเองกิเลสจึงเป็นภัยต่อจิตใจของสรรโลกตลอดมาไม่ว่ามากว่าน้อยมีมากมีน้อยเพียงไรต้องเป็นค่าสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าที่ถอนให้สอดให้ถอ น, ใ ห, ถอนให้ถอนสิ่งที่เป็นภัยออกมีใครที่จะสอนดีสอน ด, สอนดีสอนละเอียดสุ ข, ขุมกัมพินาพสอนโดยถูกต้องมันยายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีในสามโลกธาตุนี้ท่า น, นจึงควรเป็นศาสดาของโลกได้โดยไม่ต้องสงสัย กำลังทำทั้งกล่าวไว้ว่าศรัทธาเทวมนุษย์สารหนังเป็นครูของเทวดาลัมนุตทั้งหลายเราเพียงจะเป็นครูสอนเรายัางไม่ได้พระพุทธเจ้ า, จานังสามารถเป็นครูของโลกทั้งสารได้เพราะความถูกต้องมั่นยัง่งโอวาทของพระองค์นั่นแหละเราเชื่อพระพุทธเจา้าจะยากลำบาก ตามอุบายวิธีที่ท่านสอนไว้ก็นํามาประพฤติปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสซึ่งเป็นตัวผายต่อจิตใจของหรักกิเลสกลัวแต่ทำเท่านั้นไม่กลัวอย่างอื่นกิเลสกลับทำเป็นฆ่าสึกกันเพราะฉะนั้นเราต้องนําสิ่งที่เป็นฆ่าศึกต่อกิเลสมาสู้กับกิเลสสิ่งใดกิเลสชอบมันก็เป็นการเพิ่มกิเลสสิ่งใดกิเลสไม่ชอบมันก็เป็นการต่อสู้กัน กำลังสติปัญญาศรัทธาความเพียอของเรามากพิเรกก็าอาพับไปโดยลําดับลำนัะแล้วขาดสลายไปเห็นไปจากภายในจิตใจนี้อีกด้วยทางการภาวนาจึงเป็นการประกาศตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเวลานี้จิตของเราเป็นอย่างไรมีความสุขความทุกข์ความมุ่งมั่นลำคาญมากน้อยเพียงไรดูจุดสําคัญเนี่ยกรองแห่งความวุ่นวายก็อยู่ที่นี่โรงงานแห่งความวุ่นวายก็อยู่ที่นี่มันติดขึ้นทุกวัน โรงงานแห่งการทําลายวัตจักรที่หมุนอยู่ภายในจิตใจก็ตั้งขึ้นทีนี่คือตั้งขึ้นที่สติตั้งขึ้นด้วยปัญญาหมุนไปด้วยความภาคเพียนความอดความทสู้กันไปไม่ถอยเมื่อผู้ต้องการจะเดินตามสเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วต้องเดินตามธรรมของพระองค์พื้นธรรมของพระองค์ก็คือเป็นการก้าวเดินตามที่เลสนั่นเอง ขณะที่เราฝืนทำก็เป็นขณะที่ศาสนาอาภพไปแล้จากตัวของเราขณะที่มีความเจริญรุ่งเรืองพนาจิตใ จ, จรักศีลรัรกธรรมรักความภาคเพียรก็นั่นเป็นขณะที่ศาสนามีอยู่ภายในตัวของเราเราจะได้รับความร่มเย็นเป็นถุกเป็นลดับล ด, ดับขัมมาสมาธิ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 ถ้าธรรมดาแล้วก็เรียกว่าพออยู่พอกินไม่กระวนกระวายไม่ราสามไม่สายไม่เดือดร้อนวุ่นวายจิตเย็นสบายทําหน้าที่การงานอะไรก็เย็นสบายอยู่ ป, ปกติก็เย็นสบายเี่เกว่าพออยู่พอกินถ้าเราเอาเพียงแค่เราผู้มุ่งเพียงแค่นี้ก็พออยู่พอกินแต่คนเราจะมามุ่งอะไรเพียงแค่นี้เราคนถ น, าานัดกศักดิ์น่เราต้องพยายามคื้ขึ้นโดยระดับสมบัตินี้มีคุณค่ามากขนาดนี้ อันนั้นมีคุณค่ามากขนาดนั้นอันนั้นมีคุณค่าสูงโดยลำดับดับขนาด น, นั้นใครจะมายอมอยู่กับสมบัติที่มีคุณค่าเพียงแค่นี้ก็ต้องขยเกยขึ้นไปขย่อยขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งสมบัติที่มีคุณค่ามากเรื่องธรรมก็เหมือนกันสมาธิสมบัติตแล้วนสมาธินั่นก็มีถึงสองสามขั้นของสมาธิเราก็ต้องขยเกยเพราะอันนี้มีคุณค่าขนาดนี้มีความสุขแค่นี้ขยับเข้ า, า, ขาไปถึงสมาธิปุต ขนาดนั้นมีความสุขขนาดนั้นสมาธิขั้นนั้นมีความสุขขนาดนั้นนะแล้วก้าวทางปัญญาปัญญาเป็นการบุกเบิดบุกเบิดีเด่เรกอาสวระรที่หมอบหรือที่สงบตัวอยู่ภ า, ายในจิตใจนึกเกี่ยวเนื่องกับสิ่ ง, งใดแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนด้วยปัญญาธรรมราจิตที่เป็นสมาธิจะมีความแน่วแน่หรือมีความรู้อยู่โดยลําพังตนเองเท่า น, นั้นปรหนึ่งว่าไม่เกีย่ยวข้องกับอะไรไม่ติดข้องกับอะไรทั้งนั้นมีแต่ความรู้ล้นล้วนอยู่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 เราเราเขาเมันก็อยู่กับตัวของเราเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นความสําคัญว่านั่นเป็นเรานี้เป็นเขาอันนั่นเป็นของเราอัน น, น, นีนเนเเน้เป็นของเรานังเป็นของเราเมื่อเป็นของเราตลอดอวัยวะทุกส่วนเป็นของเราอันนี้ของเขาของเรามันมีอยู่ี่นี่อา้าวเที่ยวภูเขาตามแถวนี้อา้าวถ้ำมีอะไรเข้าไปดูภายในของเราถ้ำมีอะไรบ้างพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาสอดส่องด้วยสติเป็นเครื่องกํากับปัญญาพิจารณา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 มีมากน้อยอย่างไงมีเท่าตัวของเรานี่แหละเพื่ทานนอกจากนั้นมันยังออกคว้าเอานุนอันนั้นออกมาเป็นของเราอันนี้ก็มาเป็นของเรามันคว้าไปหมดยืดไปหมดเราไม่รู้เพราะก้าวทางด้านปัญญาแล้วทนี่จะค่อยทราบขย้ายดูรูปภายนอกรูปภายในดูสมบัติพระสถานต่างๆนนอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นแยกเห็นเห็นตามเป็นจริง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 ที่เต็มไปด้วยความหลงจึงต้องยึดนั่นควาน้านี้นิ่งเวลาปัญญาสอดทองไปด้วยอุบายต่างๆดังที่กล่าวมานี้เรื่อยถอยถอนอุปทานออกมาเรื่อยๆรู้มากน้อยเพียงไรอุปทานจะถอนตัวออกมาเรื่อยๆนี่อุบายของปัญญาเมื่อปัญญาได้พิจารณาอย่างนี้ความสงบของจิต ยังมีแคลวคลาวออกเป่าอปอีกดด้วยอำนาของปัญญาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ประจักษ์ใจในขณะที่จิตถอนตัวออกมาจากสิ่งใดที่เคยยึดมั่นถือมั่นโดยไม่รู้สึกตัวม า, ากกแต่ก่อนแล้วจิตเข้าใจในสิ่งนั้นถอนตัวเข้เขามาเรียกว่าแก้กิเลสได้เป็นประเภทประเภทประจักษ์ด้วยปัญญาของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรต่อการพิจิตรณาต่อการถอดถอนกิเลสด้วยปัญญา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 เพรพอแล้วนะทราบภารกิจพอแล้วด้วยปล่อยแล้วด้วยนี่อันใดที่มีความสัมพันธ์หรือสัมผัสสัมพันธ์โดยกิจมีส่วนไหนมั่งจิตมีความพอใจที่ยินนาในส่วนไหนมั่งเพิ่งทราบว่าส่วนนั้นยังไม่เข้าใจก็เหมือนกับไฟที่ไหม้ไปตามเชื้อเชื้อมีที่ไหนไหม้ติดตามไปเรื่อยๆด้วยจนวระทั่งหมดเชื้อถึงถึงจะหมดไฟนี่อาการของปัญญาที่จะ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 ด้ยสติปัญญาให้เห็นชัดเจนกายก็ว่ากายอยู่แล้วเนี่ยอาการหนึ่งหนึ่งก็เป็นอาการของเขาอยู่แล้วโดยสมบูรณ์แล้วเราเอาไรไปแทรกเขาอีกแทรกว่าเป็นเราแทรกก็เป็นของเราอาการนั้นเป็นเราอาการนี้เป็นเป็นของเราไม่ละอายเขาบ้างเหนี่ยถ้าเป็นคนเป็นความฉลาดแล้วจะถอนตัวออกมา ท, ทันทีไม่อาจเอื้อมไม่ทะลึ่งในสิ่งที่เป็นความจริงของเขาโดยสมบูรณ์อยู่แล้วนะนี่คือปัญญา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 เพื่อให้เข้าใจแล้วถอนตัวออกมาจากทุกเวทนานั้นมีสัญญาได้แต่ความหมายหมายนั้นหมายนี้จำนั้นจำนี้แล้วถือความจำเป็นตนถือความจำเป็นสมบัติของตนเฮอว่าตนจ ำ, จำดิีจำดีอะไรต่างๆนานาเลยถือเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาทั้งๆที่มีแต่ลมแต่แรงคือความสำคัญของจิตเราก็ให้ทราบ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 ส, นนสังขารนอกเราก็เห็นอืสังขารธรรมเป็นของไม่เที่ยงภาย น, นอกก็เห็น ช, าชาัดมันไม่เที่ยงก็เห็นชัดสังขารภายนอะไรมันเที่ยงเอ้าสังขารร่างกายนี่มันก็ไม่เที่ยงก็กองทุกข์อาอนาตาอย่าไปแตะต้องอย่าไปยึดไปถืออนาตาไม่ใช่ของใครทั้งนั้นยบอกแล้วประพิเศษว่าเป็นต น, นสังขารมันปรุงขึ้นปรุงขึ้นเท่าไหร่มันก็หนับปรุงดีก็หนับปรุงชั่วก็หนับ ปรุงกลางๆก็ดับดับเป็นขณะดขนาในขณะที่ปรุงก็ในขณะที่ดับก็ไปพร้อมๆกันเราจะเอาเป็นสาระแก่สารเอาเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรความจริงของเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อใดปัญญาเราจะเห็นตามความจริงนั้นสักทีจะไ ม, ไม่ต้องวุ่นวายกับเขาให้เกิดเรื่องกับเขาท่านๆที่เขาไม่มีเรื่องอะไรกับเราแต่เราชอบในเรื่องกับเขาแล้วก็ชอบเอาเรื่องนั้นมายุ่งตัวเองให้เกิดความทุกข์ความลาบากนี่ พิจารณาอย่างนี้วิญญาณคําว่าปัญญาณ น, นี่ก็คือจิตกระเพื่อมรับทราบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจากคูุเสียงตื่นรถเครื่อนสัมผัดที่ก็มาเกี่ยวข้องกันจิตเป็นผู้รับทราบในขณะที่สิ่ง น, นั้นมาสัมผัสนี่ก็มีเพียงเท่านั้นพอทราบและกระดับไปพร้อมพร้อมพร้อมเนี่ยเอาสาระแก่สารอะไรสุดท้ายก็อยู่กับความรู้อันเดียวมีแต่ความรู้อยู่เท่านั้น อาการทั้งหลายที่รับทราบวันนี้มันก็ดับไปหมดเพราะเป็นอาการไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงก็คือใจเป็นผู้รู้พิจารณาให้ทราบชัดโดยลํำดับจีตลบทบทวนไม่สําคัญถือเป็นการเป็นงานพิจารณาแล้วเถินอยู่ด้วยการพิจารณาเถินอยู่ด้วยการเข้าใจเถินอยู่ด้วยการถอดถอนโดยลําดับดั บ, ดบริยเลสจะขนาดไหนเรา พราะขนาดที่มีอยู่ภายในตัวนี้เท่านั้นเมื่อถอดถอนทุกวันพิจารณาทุกวันหุดค้นทุกวันทําลายไปทุกวันมันจะเอากิเลสที่ไหนมามากมาก่ากองพอมันหมดไปทุกวันด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเป็นของเราสุดท้ายมันก็หมดทางนอกมันก็หมดไปยึดอันไหนไหนกิเลสที่เกิดขึ้นจากความยึดความถือในสิ่ง น, นั้นๆมันก็หมดไปหมดไปเพราะปัญญาตาม เขาตามไหม้ไปหมดแม้สุดท้ายมันเขาไม่มีทางไปมันมารวมอยู่ในหัวตอ่ออันสําคัญคือจิตเนี่ยเผาเข้นมาตรงนี้อีกสุดท้ายมันกหมดมันหุ้มห่ออยู่ที่จิตโดยเฉพาะมาเผากันที่ตรงนี้ถูกไหมทิพายไปหมดด้วยตะปะธรรมคือความแผดเผาทีนี้อะไรเหลือยกิเลสสิ้นไปก็รู้ว่ากิเลสสิ้นไป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 ความสุขที่เกิดขึ้นมาในธาตุในขันธ์ก็ทราบเพียงความเกิดขึ้นของความสุขเรียกว่าสุขเวทนาทุกเวท น, นาที่เกิดขึ้นในธาตุนขันธ์ก็เพียงรับทราบว่าทุกเวท น, นาเกิดขึ้นเท่านั้นดับไปก็รับทราบตั้งขึ้นก็รับทราบตั้งอยู่ก็รับทราบเนี่ยมีแต่เพียงรับทราบละทราบตามความจริงของเวทนาตามความจริงของสรรภาวธรรมทุกๆส่วนเนื่องจากตนถึงความจริงโดยสมบูรณ์แล้วโดยหลักธรรมชาติ คือความบริสุทธิ์ตราทัจากสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องโดยประการทั้งปวงนี่ท่านเรียกเหรอจิตพอตักสลัดปัดทิ้งทั้งหมดบรรดาที่เป็นสิ่งสมมติอันไม่เป็นที่ไว้ใจนี่แหละที่ท่านว่าบุญยะปลาประเพณบุคคลผู้มีบุญและบาปอันล่าเสียแล้วนะคําว่าบุญเป็นเครื่องสนับสนุนเรามาก็เช่นเดียวกับเราอาศัยบันไดขึ้นถึงบนบ้าน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 มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วนั่นคือพอไม่ต้องอาศัยอะไรเป็นเครื่องสนับสนุนต่อไปอีก<ม>ส่วนที่บากได้จะผลที่จะพึงตามสนองในเมื่อวิบากสะขันเรามีอยู่ก็ต้องมีบุญอันนี้ต้องตามสนองกันไปเป็นธรรมรามเป็นอย่างพระพุทธเจ้าหรือสาวกก็มีอุปนิสัยต่างๆกัน พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนก็มีแต่คนสักการะบูชาเต็มไปหมดเนี่ยหรือพระศิวลีท่านเป็นผู้มีอัตเลกขลามมากเพราะอะไรเพราะผลแห่งบุญของท่านที่เคยสร้างมาแต่ภายในจิตใจท่านไม่ได้ยินดีกับผลแห่งบุญที่มาตอบสนองท่านเลยนี่เรียกว่าท่านพอภายในจิตใจแต่เรื่องภายนอกก็ต้องมีเป็นธรรมนาตามอุปนิสัยแม้สาวกเหมือนกันเป็นพระรหารด้วยกันก็ตามอุปนิสัย หรือาสนาจะต่างกันไปเป็นอะไรไเป็นเช่นนั้นนั่นเรียกว่าอาการของขมุวดมีอยู่ต่างๆกันเช่นนั้นแต่เรื่องของขมตดคือความบริสุทธิ์แล้วเสมอกันหมดท่านผู้ไม่มีอติเรกกราบท่านก็ไม่เสียใจท่านผู้ไม่มีอติเรท่านผู้มีอติเรกกรา ม, มากท่านก็ไม่ดีใจท่านไม่ฟุ้งเฟอ้อเหท่านไม่ลืมตัวท่านทราบตามความจริงทั้งหมดนี่หมายถึงความพอภาในาจิตใจ นี่แหละคำว่าบุญกุศลที่ส่กสงกระทรง g ไปอย่างนั้นเรื่อยๆตามอำ น, นาจแห่งกุศลที่เคยสร้างมาทั้งแต่กลับใดกันใดก็ตามก็ตามมาสนับสนุนมาเรื่อยๆท่านจะยินดีไม่ยินดีก็ตามบุญก็ต้องเป็นบุ ญ, ต า, บญตามสนับสนุนจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายลายนิ่งเสียงทิ้งเสหมดทั้งขันอันนั้นเป็นน้ำมือหมดปัญหาเพราะขันนี้เป็นความสมมุติเป็นภาชนะที่จะนับวิบากทั้งหลายซึ่งเป็นสมมติด้วยวกันวิบาก บาปบุญต้องรับในเวลาที่มีธาตุมีขันอยู่ท่านก็นยอมรับแต่พอผ่านนี้แล้วก็หมดปัญหาไม่มีอะไรที่จะติดตามอีกเลยท่านเนี่ยปริยพานเป็นผู้ดับสนิทในเรื่องสมมุติทั้งหลายไม่ตากฏเลยนี่คือทำแท้ศาสนาสอนมาถึงขนาดนั้นเจ้าของศาสนาก็คือพระพุทธเจ้า ได้ตรัสะรู้ถึงธรรมคันนี้แล้วนำธรรมออกสั่งสอนโลกสั่งสอนหมูชนให้ดำเนินตามตามอุปจอุปนิสัยจริณนิสัยของคนอุคติตันยูผู้สามารถที่จะรู้ได้เร็ววิบจจิตันยูถัดๆกันลงมาเดินตามรอยกันไปเนยยะ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 หมดอะไรแล้วที่จะหาอยู่หายามารักษาให้หายพื้นนี่เปนไม่มีทางนอกจากเอาเข้าอะไรเขาเรียกห้องไอซียูอยู่อะไรบางที่ว่านั้นตอนนั้นคอยอยู่เท่านั้นเองี่เราไม่ใช่คนประเภทหนานอย่างน้อยก็ปทปรามาโอ้ยอย่างน้อยก่อนเนยยักษ์เป็นผู้ควรแนะนําสั่งสอนได้เราก็ควรแนะนําสั่งสอนเราได้เ ร, ไดเราได้รับคำ ของพระพุทธเจ้ามาตั้งสอนตนเองก็พอแนะนําตั้งสอนตนเองได้ครูบาอาจารย์ก็มาสอนเราได้เนี่ยเป็นเนยยะคือควรทั้งนั้นควรจะปฏิบัติตนได้เต็มตามสติกําลังของตนยังเรียกว่าเราอยู่ในมัชชิมาพอทุกข์ควรอยู่แล้วให้ดําเนินมัชชิมามให้มีความสามารถแก่ก้าจนทะลุ ป, ปุปร่งไปถึงขั้นผุ้กริชแห่งมัชชิมาคือมัชชิมาหลักธรรมชาติได้จากความพอตัวอันเป็นศูนย์กลางเสมอ ไม่มีการมีสมัยเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเรียกว่าอาการริกาจิตอาการริกาธรรมอาการริกาธรรมความหมายถึงมาทำโมปริปโปที่ปรากฏอุภาณาจิตอย่างกระจา่างแบบชนิดกระจ่างแจ้งอ่ะอาการิกาจิตไม่มีการสถานที่ใดๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือทํามาจิตใจนั้นให้เอียงไปได้เลยนี่ผลในการปฏิบัติศาสนาเป็นอย่างนี้ขอได้นําไปทิมิตพิจารณาและการแสดงธรรมของโนนสมควร